ก็ในช่วงที่เราบริหารธาตุสในช่วงของโยคะคือธาตุไฟกับธาตุลมนะที่เราบริหารในช่วงที่เราเอ็กซ์เซอไซเนี่ยก็มีความร้อนขับออกมานะก็รทานในช่วงที่เราจังหวะของโยคะการเคลื่อนไหวแล้วก็ใช้สติการกำหนดรู้แต่ถ้าเราจะโฟล o w ตามวิดีโอทั้งหมดเราก็ไม่ทัน เพราะเขาต้องทําตามเวลาซึ่งเบาไปนิดนึง <c oughs> เขาต้องตามเวลาของเขาเราจะ f o l l ตามนั้นหมดไม่ได้แต่ว่าเลือกเอาบางท่าที่ที่เป็นประโยชน์นะที่เรามาใช้อันนั้นเองก็ในช่วงทําเราก็จะใช้การเจริญสัมปชัญญะร่วมไปด้วยเพราะในช่วงที่เราทําเนี่ยเราก็จะเกิดเวทนาในบางจุด กันตึงการเข่งการเจ็บการอะไรต่างเรากำหนดดูตามไปเวทนาตรงนั้นก็ชัดแล้เป็นปฏิบัติเวทนานุปัสนาไปในตัวมีการเคลื่อนไหวใช้ลมหายใจเป็นกายานุปัสนาไปในตัวเพราะนั่นเองก็การบริหารรูปกับนามเนี่ยต้องไปพร้อมๆกันตามที่ได้กล่าวไปวันก่อนนะรูปของเรามีเหตุปัจจัยที่ทำให้ทุกข์ให้สุขอยู่ โดยสเหตุปัจจัยใช่ไจำได้ไหมสี่อย่างเนี่ยที่ทำให้กายหรือรูปนี้เป็นสุขเป็นทุกข์ได้ถ้าบริหารสอย่างนี้ก็ให้ถูกต้องร่างกายของเราก็พออยู่ได้นะก็คืออะไรกรรมจิตอุตุอาหารนะกรรมกับจิตเป็นรูปหรือเป็นนามนะ กรรมกับจิตเนี่เป็นแท้ๆเป็นได้นามและนามรูปแต่อุตุอาหารเนี่เป็นรูปโดยส่วนเดียวนะเพราะฉะ น, นั้นในสตัวนี่ก็ก็เช็คแต่ละตัวไปว่ากรรมคือการกระทําของเราต้องเน้นกรรมปัจจุบันนะกายกรรมที่เราทํานี่เป็นกายกรรมชิ้นหนึ่งใช่ไหมเป็นกายกรรมแล้วก็เน้นเอานามเข้าไปด้วยคือในการทํำนี่ต้องมี สติตามรู้ในกายในเวทนาในส่วนของกายในส่วนของกายก็จะมีลมหายใจมีอริบุตรใหญ่อริบุตรย่อยวีท่าสี่อาการ3ามอและสุพรวมกัาไปในกระบวนการเดียวกันหมดในขณะเดียวกันที่เราทำก็เวทนาส่วนต่างๆมันเกิดขึ้นหนักบ้างเบาบ้างร้อนบ้างแล้วก็ตามรู้ไปในหนึ่งชั่วโมงจากตีสีถึงตีห้า นี่จากตีห้ถึง6โมงนี่ก็คือมาใช้ตัวนามล้วนเข้าไปบริหารคือการกจิตภาวนาการสวดมนต์การานั่งสมาธิและการฟังธรรมนีน่ก็เป็นการใ น, นชนน่วงนี้พอเจ็ดโมงถึง8ดโมงก็บริหารเรื่องอุตุและอาหารใช่อากาศอาหารท่ดน้ำท่าน ด, ดินในช่วง แต่ในช่วงทีห6โมงถึงเจ็ดมงก็คือใช้ธาตุธาตุทั้งหมดหใช่ไหมดินน้ำํำลมไฟอากาศวิญญาณถ้าครบทั้งรูปทั้งน้ำนะแต่ถ้าเฉพาะดินน้ำํำลมไฟก็จะคือเป็นรูปอากาศและวิญญาณก็เป็นนา้ำครบธาตุหรูปกับน้ำก็คือธาตุทั้ง6หกขันทั้งหนั่นเอง น, นี้ในช่วงของ ช่วงบ่ายเนี่ยที่สรุปบทเรียนช่วงเชา้าแต่ละวันก่อนที่จะลงมือปฏิบัติช่วงบ่ายหลวงพ่อใช้โปรเจคเตอร์หรือ Power Point นี่ไม่สะดวกเพราะว่างที่ตัวเลกไปใหญ่ไปถ้าเป็นไปได้ได้กระดานบอร์ดให้หลวงพ่อเขียนเนี่ยมันก็จะได้ขยายในหลักหลายฝาการันบอร์ดชนิดที่เราพลิกแล้ว เ, เขียนทีละแผ่นที่ไอสิ่งที่เราเรียนด้วยั น, นกลายเป็นหลักสูตรไปเลยใชไ่ไม่ต้องมานั่งเขียนหลักสูตรใหม่ อาที่หลวพอเขียนงไปแตล่ละวันอธิบายไปแต่ละวันเอาเนี่ยมาไปสรุปไปหลักสูตรถ้ามีก็จัดให้ด้วยก็ดีอย่างน้อยไอ้ลีลาวดีมันก็จะเรียน ร, ๆๆรู้แล้วก็กลับภาษาอังกฤษไปด้วยสงสารมันนั่นเองก็การศึกษาเรียนรู้ในภาคนี้เรามาเรียนรู้ที่จะเป็นครูสตินะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติ หลังจากที่จบหลักสูตรแล้วพวกเราทุกคนต้องปฏิบัติได้แล้วก็สอนได้ด้วยอย่างนั้นก็สอนคนในครอบครัวก่อนในบรรดาที่เราปฏิบัตินะในวันรายงานวันสุดท้ายเนะี่ยเราจะรู้ว่าใครมีแววที่เป็นครูได้บ้างนี่เลือกครูสติเพราะครูสมาธิมีแล้วใช่ไหมจบหลักสูตรต่อไปหลักสูตรนี่ก็เป็นหลักสูตรที่เราก็ใช้นะครูสมาธิก็ท่าคุณอะไรนะวิริยังท่านทําอยู่ใช่ไหม แล้วก็ใช้ครูสติบางทีเราก็มาเรียนรู้เป็นครูสติกันคนไหนที่จบจากที่นี้ได้ไปก็ไปสอนเรื่องสติได้เลยเหมือนันเลยเป็นการสร้างบุคลากรทางวิปัสสนาเป็ น, นตัวที่นี้ตอนเช้านี่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราทําโยคะนี่นะว่ามันมีอิทธิพลอย่างไรต่อการเจริญสติเรื่องนี้ตามที่มาเคยแปลหนังสือเรื่องหนึ่งของท่าน ตักงอหรือท่านโพธิธรรมนะหลายคนได้อ่านก็เอามาดูแล้วนี่เอ๊ะมันความต่างระหว่างท่านโพธิธรรมเกิดไปแล้วตั้งพันสองพปีแต่หลวงพ่อเทียนมาเกิดยุคนี้ทําไมแนวความคิดการแนวการสอนทําไมมาตรงกันโดยโดยบังเอิญหรือเปล่าหรือว่าสิ่งไหนที่เป็นเป็นธรรมที่ถูกกล้องมันตรงกันทุกยุคทุกสมัยอ ท่านพุธิธรรมท่านเป็นคนอินเดียนะคือเป็นลูกเจ้าผู้ครองคอนครผู้หนึ่งหลังจากที่ท่านได้นะบรรลุธรรมรู้สึกท่านจะเกิดหลังจากนั้นก็มานหลังจากพุทธปฏิพานประมาณสักหกพันกว่าปีนะพันกว่าปีแต่ว่าพุทธศาสนาเข้าสู่จีนแล้วประมาณหกร้อยปี เราท่านพธิธรรมก็เข้าไปพุทธศาสนาที่เข้าไปคือไปปนปรมกับพวกลัทธิประเพณีวัฒนธรรมพวกลัทธิเต๋อลัทธิเหลาชื่อคงชื่ออะไรก็จะมิกกันอยู่ระหว่างพุทธศาสนาแต่พอท่านพธิธรรมเข้าไปนี่ยก็ไปแยกให้เห็นว่าอันไหนที่เป็นเพียวบุรีซุมอันไหนที่เป็นมิกบุรีซุ่มมันก็จะแยกให้เห็นชัด ดังนั้นในก่อนหน้านั้นพุทธศาสนาในจีนก็รุ่งเรืองมากเพราล่าสุดที่ในสมัยของยุคท่านพุธิธรรมคือทักษะฮัตหูทักษะฮัตหูนี่ก็เลยเป็นผู้เลื่อมใสในพุทธศาสนามากต้อนรับพระสงฆ์มาจากทิศทั้งสแล้วใครจะบวชในสมัยนั้ น, น, นบวชท่านบวชให้หมดสร้างวัดวาอารามสมัยนั้นมีพระสงฆ์ที่บวชถึงตามหลักฐานประมาณสองล้านกว่าลูก เพราะว่าตอนหลังมาไม่ใช่บวช ด, ด้วยศรัทธาบวชพ้นหนีทหารเพราะคนไหนที่ไม่ต้องการไปเป็นทหารก็บวชได้พวกที่ไม่มอยากเป็นทหารก็หลบไปบวชที่นี้บวชแล้วที่นี้ก็ทำํำตามรัฐที่ประเพณีสมัยจกักรวรรดิอู่ทำขนาด น, นั้นนะพระไม่เป็นทหารของอาณาจักรก็เป็นทหารของพุทธจักรก็คือเขามาบวชมีพระถึงสองลานกว่คนทีนี้ท่าน ก็บำเพ็ญประโยชน์ทา้งด้านพุทธศาสนามากมายทั้งสร้างวัดว่าอารามีวัดเยอะที่สุดเรามีพระเยอะที่สุดหรือภู้ประทำพระสงฆ์ที่เข้าไปในดินแดนในสมัยนั้นก็เรามีลาบสักการะอะไรเหมือนสมัยพระเจ้าอุษกเลยละทีนี้เมื่อโพุทธรรมเข้าไปท่านก็สอนเรื่องการใช้การเคลื่อนไหวเนะี่ยแต่ท่านะจะไม่ใช้จังหวะนี้แต่จะใช้การเคลื่อนไหวแบบสมัย นั้นในอินเดียเนี่ยเขาก็สอนเรื่องโยคะมาแต่ไนแตลัยใช่ไหมโยคะเขาเรียกว่าใชา้ฤาษีดัดต้นเข้าไปท่านก็ไปสอนเรื่องนี้ทำเราใช้การเคลื่อนไหวสังเกตการเคลื่อนไหวของต้นไม้สังเกตการเคลื่อนไหวของสิงสาราสัตว์ที่มันเคลื่อนไหวยักเยื้องเปลี่ยนแปลงอะไรท่านก็เอาการเคลื่อนไหวของธรรมชาติมาประยุกต์กับเป็นการเคลื่อนไหวของการตามรู้ตามกําหนดรู้ มันก็สอนอยู่หลายปีที่นี้ชื่อเสียงในการแสดงธรรมของท่านนี่ยตรงไปตรงมาไม่ได้พูดถึงรัติประเพณีพูดถึงธรรเนียม่างๆพูดถึงเรื่องสภาวะจิตล้วนๆก็ปรากฏว่าชื่อเสียงเนี่ยไปกระทบพระนิตพระกันพระหูพระตาของจกักรพรรดิหวูนะก็อยากจะพบอยากจะพบะปรมาจารย์ตาห ม, มูที่มาเสียงออกตักหม้อเนี่ยนะ ด้ชื่อเดิมของท่านคือโพธที่รมนะก็นิมนต์เข้าไปในวังเพื่อจะไปถามสัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็อยากจะประกาศว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้บวชทำบำรุงพุทธศาสนาในจีนยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วผลอา น, นิสงส์ถามท่านอา น, น, น, อ น, นิสงส์ของการปฏิบัติต่อพุทธศาสนาได้สร้างได้บวชพระได้ทำอะไรมากขนาดนี้เนี่ย มีผลอนิสงอย่างไรบ้างซึ่งตรงนี้แหละมันยากก่การตรอบถ้าตอบตรงก็จะมีปัญหาถ้าตอบไม่ตรงก็จะผิดหลักการของท่านใช่ไหมจะทําไงท่านก็รักษาทำไว้ก่อนแม้เสียสละชีวิตก็รักษาทำเถอะบอกะ่าสิ่งที่ท่านทํามาทั้งหมดนั้นเป็นการทําพุทธศาสนาให้เสื่อมแล้วท่านก็จะตกนรกด้วยโอ้โห จกักรพรรดิวูช็อกเลยช็อกเลยเอา้าทำไมท่านว่าอย่างนั้นนะขณะนี้ที่คำพูดของท่านพูดน้อยทำให้จิตของข้าพเจ้าขุ่นมัวแล้วนะเพราะว่าเป็ น, เ ป, นเป็นอุบายศึกบทรามบำรุงของผู้พุทธศาสนาถ้าจะแสดงอำนาจอะไรมาตรงที่เป็นจกักรพรรดินี่จะสั่งตัดหัวได้เลยใช่มถ้าโดนคขาพูดแบบนี้แต่ด้วยไว้ลายของผู้ทถามบารุงพุทธศาสนาอ่ะ จิตของข่าพระเจ้าขุนมัวเพราะคาพูดของท่านแล้วทําไงถ้านก็สวนทนที่งั้นเอาจิตท่านมาเดียวผมอาตมาชําระให้จะทําให้มันสดใสไม่งั้นอ้าวมาจื้อคํานี้เข้าเอาจะเอาออกมายัางไงนั่นแหละสิ่งที่ท่านจะต้องพ้นจากนรกได้คือต้องชําระจิตถ้าท่านทำพุทธบำรุงพุทธศาสนาแล้วทําประเพณีจิตยังขุนมัวขนาดนี้แล้วจะไม่ตกนรกได้ยังไง ท่านแน่ใจได้ไงว่าในนาทีสุดท้ายไอ้จิตคุณมัวอย่างนี้จะไม่ครอบครอบงำจิตของท่านแล้วท่านจะไปสู่ทุกขติอา้าวจะให้ข้าพเจ้าทําอย่างไรท่านก็แน่งกันนะบอกว่าพรุ่งนี้ตอนตีสี่ให้ไปพบข้าพเจ้าที่สมัยนั้นก็เรียกวัดอะไรเศร้าลินเนาะเป็นวัดแต่มันมีชื่ออะไรหินหินนี่แหละเนี่ยมาจำไม่ได้ ก็บอกว่าตีสไปแล้วไม่ต้องให้ทหารโคนสนิทใ ด, ไ, ดไปคนเดียวนะออท่านก็แน่เหมือนกันท่านพธิธรรมท่านทาแล้วเพราะท่านก็เป็นลูกกษัตริย์มากใช่อนไปคนเดียวอรับคำท้าก็ไปถึงตีสก็ปรากฏ ว, ว่าท่านพุทธธรรมถือไม้เท้ารออยู่ที่หน้าวัดรอวัดออแล้วก็เชิญเข้าไปบอกว่าท่าน นั่งอยู่ที่แล้วก็หาจิตให้เจอถ้าเจอเมื่อไรบอกข้าพเจ้าจนกว่าจะเจอหาดูว่าเพราะว่าถ้าท่านหาจิตยังไม่เจอน่ะท่านจะชำระจิตได้อย่างไรใช่ไหมโอ้หอสอบใหญ่แล้วที่นี้ก็ปรากฏว่าท่านก็นั่งลงไปนั่งีสีท่านปุทิถามก็นั่งอยู่ ใ, ใกล้ๆแหละ เราบอกให้ต่างรู้การเคลื่อนไหวภายในว่าอะไรบ้างที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในเนี่ยมีลมหายใจไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งแข็งตึงไหมเจ็บปวดมีไหมการเคลื่อนไหวการขยับตัวนี้เป็นยังเฝ้าดูไปเรื่อยๆแล้ก็ตามดูร่างกายตามคือก็คือบอกให้ดูรูปน้ำนั่นเองนะตามดูร่างกายและจิตใจว่าจิตมันอยู่ตรงไหนพอเจอแล้วเอามาให้ข้าพเจ้าทันทีแล้วข้าพเจ้าจะชําระให้ ก็นั่งดูไปดูมาทีนี้พอเนื่องจากจิตท่านเป็นกุศลระดับหนึ่งพอไปถึงประมาณสักเจ็ดโมงปั๊บนจิตของท่านสงบนิ่งแล้วก็หน้าตาผ่องใสพอเจ็ดโมงท่านพุทิธรรมบอกว่าพอละตอนนี้ท่านได้คำตอบแล้วใช่ไหมว่าจิตอยู่ที่ไหนได้แล้วขอรับ อยู่ที่ไหนบอกไม่มีจิตจิตไม่มีโอ้โหท่านพุทธิธรรมบอกนั่นแหละคือคำตอบจิตมันไม่มีจิตวิญญาณมันเกิดขึ้นเมื่อการทำงานของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเมื่อไม่มีสติการทำงานของขันห้าเวอวิชามันเข้าแล้วก็ฟอรมตัวเป็นจิตแล้วก็สร้าง นั่นใช้คำสองคําว่าจิตกับวิญญาณในขณะนั้นขันธ์ห้ามีถ้ามีความรู้ตัวลุ้นล้วนมีตัวรู้ลุ้นว น, นเขาเรียกว่าวิญญาณแต่ถ้าเมื่อไรไม่มีสติเข้าไปวิญญาณนั้นก็กลายเป็นปองฟอร์มตัวเป็นจิตจิตก็จะสั่งสมรับรู้สร้างความคิดสร้างเรื่องราวอไรไต่างขึ้นมาเรียกว่าจิตตสังขารคําว่าวิญญาณสังขารมีไหมไม่มีมีแต่เข้ามาจิตตสังขารสังขารและจิตวิญญาณสังขารจิตตวิญญาณอืม ดังนั้นเราตั้งแต่นั้นมาคำว่าสุญญตาเกิดขึ้นครั้งแรกสุญญตาเคยได้ยินคำเหล่านี้ใช่ไหมแปลว่าอะไรสุญญตาทางสวนโมกข์มาแปลว่าจิตว่างแปลว่าจิตว่างแต่ท่านบอกว่าแปลไม่ถูกแต่แปลถูกเ้องว่าว่างจากจิตเพราะจิตมันไม่ว่างอยู่แล้วพอมีจิตปั๊บเนี่ย เรื่องสังขารต้องเกิดจิตแต่สังขารคือเรื่องคิดต้องเกิดแต่บางช่วงจิตของเรามันต้องคิดตลอดไหมไม่มีมีแต่ตัวรู้สึกใช่ไหมแต่ตัวรู้สึกมีไม่ไม่ใช่จิตตัวรู้สึกเป็นอะไรเป็นตัวรู้คือตัววิญญาณแต่ว่าในต่ตุกบันต๊กนั่นเขาจะใช้คําว่า conscious ใช่ไหมแตเ่เราเราไปใช้คำว่า mindfulness บางทีเขาไม่เก็ตนะเาใช่อเวนี่เขาเก็ตใช้คอนเชียสเนี่ยเขาเก็ต เพราะนั้นเรามาแปลไอ้ตัวคอนเชสต์ว่าเป็นคอนเชสต์เน็ตที่แปลว่าวิญญาณใช่ไหมฟอร์ม feeling, perception, mental formation กับคอนเชสต์เน็ตที่ว่าขันห้าใช่ไหมก็ฟอร์มขึ้นมาเป็นมายใช่ไหม empty mind พอขึ้นมาเป็นมายแต่มายกับคอนเชสต์เน็ตต่างกันไหมมายคือตัวรับรู้เข้ามาแล้วมาปรุงเป็น จิแต่สังขารแต่คอนเชียสเนี่ยมันเป็นตัวของมันเองที่แต่คอนเชียสเนี่ยเป็นตัวรู้ที่เป็นสัญชาติยานที่ได้บอกันก่อนว่าถ้าตัดวินออกเส้นเนี่ยเหลือแต่อะไรยานอันนั้นเป็นตัวรู้ล้วนๆใช่ไหมแต่ถ้าวิญญาณมันรู้ไปต่างๆที่มากระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจแต่ถ้ารู้ที่ตัวรู้อย่างเดียวมันเหลือแต่ยาน คำว่าวินหายไปวิเพราะว่าก็า ต, าต่างๆนานาที่ต้องรับรู้วิญญาณจิตก็ไม่ได้เป็นต่างๆก็เหลือตัวรู้ตัวรู้เรียกว่ายานปัญญาวิชาแสงสว่างเกิดขึ้นคำว่าสุญญาตาเกิดขึ้นโอ้โหพระเจ้าจักพัดหูครับว่านิมนท์ท่านไปรับฉันในวังทำมาไว้ไง นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปหมดหน้าที่ของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะไม่เข้าหวังของท่านเดชขาด <c oughs> <c oughs> คือท่านท่านจักรพัฒน์หู่ต้องการเอาท่านเนี่ยไปสอนต่อต่อเสน า, ามาต่อค้าจะบริรพัน <c oughs> เรื่องเนี้ยเรื่องที่ท่านได้ยินได้ฟังนี่แหละแต่ปรากฏ ว, ว่าหมุดหน้าที่ของพระเจ้าแล้วก็ท่านก็รู้เรื่องนี้แล้วท่านก็ไปบอกเอาเองก็เลิกกันนะหลังจากนั้นมาท่านบอกว่ามีการ เจก้กระเพาะหูเนี่ยหันไปนับถือท่านปรมาจารย์ตั๊กมาะซึ่งมันขัดกับพวกกลุ่มคณะสงฆ์เก่าที่นับถือพุทธศาสนาแบบประเพณีมิ ก, กันระหว่างเตาาคงชื่อเล่าชื่ออะไรพวกนั้นมิ ก, กันอ่ะมันก็ทําให้อย่างที่ประเทศไทยเราเป็นพุทธศาสนาใช่ไหมมีสารพัดเลยในนั้นอ่ะหรือผีทความินดูเจ้าพ่อเจ้าแม่เทพองค์ทรงเจ้าอะไรต่างมิ ก, กันหมดเลย เราไม่ใช่เผียวบุรีสุขเป็นมิคบุริสุมแล้วประเทศเราจึงออกมาในรูปแบบนี้หลายศตวรรษมากเป็นพันๆปีแล้วก็เป็นมาอยู่อย่างนี้แหละจนกระทั่งเกิดหลวงพ่อพุทธาธาตุขึ้นหลวงพ่อเทียนขึ้นหลวงพ่อชาขึ้นสามท่านเนี่ยมีคู่นูบการต่อพุทธศาสนาในประเทศไทยมากพูดถึงเรื่องปรมาัาทุนๆแต่หลวงพ่อชาเขาเป็นยังมิกเกี่ยวกับพระวินัยอยู่เยอะอนะอ่า หลงพ่อเทียนกังพระพุทธธาตุชัดเจนพูดถึงเรื่องสภาวะปรามัดแต่หลวงพ่อพุทธธาตุท่านเผยแพผ่สภาวะประมัดที่เป็นภาษาปริยัติพนี้คนที่ไปรู้สิทหาก็เลยไปศึกษาด้านปริยัติที่ออกมาจากปรมัตดแต่หลวงพ่อเทียนชีปป้ไปตัวปรมัดโดยที่ไม่ต้องผ่านบัญญัติตรงนี้มันฟอกฝนกันมาตามลําดับเลยอันนี้คือโชคของประเทศไทยโชคของประเทศไทยแล้วก็ใช้การเคลื่อนไหวแบบ เป็นที่มิตในการเฝ้าดูแบบทักมอถึงแม้ว่าตักม้อไม่ได้ทําเป็นรูปแบบอย่างยกมือนะแต่ท่านใช้การสังเกตการเคลื่อนการบหวภาพตาอ้าวคือชั้นใช้อิริบยยุตย่อยหลวงพ่อเทียนก็เลยนํามาเป็นทําเป็นรูปแบบแบบนี้เสียทําไมมันตรงกันอย่างนั้นอา่ารย์หลวงพ่อเทียนก็ไม่ได้พูดถึงลัทธิประเพณีอะไรต่างเข้ามาผสมผสานเรื่องพูดถึงเรื่องปรามาัดอย่างเดียวแล้วก็ทําปรามาัดให้ไม่เป็นของจริงเหตุการณ์เมืองจีน พุทธศาสนาเมืองจีนเมื่อพันกว่าปีก่อนเป็นเมืองไทยก็เป็นอย่างนั้นก่อนหน้าที่ท่านโพธิธรรมเข้าไปนะถ้าหากว่าวิวัฒนาการของไทยของเราเหมือนกับที่ประมาณจานทร์ตักมึงเข้าไปทําในจีนเมืองไทยเราจะไม่เป็นอย่างนี้เมืองไทยจะก้าวไปกว่านี้อีกเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาที่ออกมาเป็นมหายานจีนอย่างพี่ปุ่นเกาหลี มองโกทิเบตกไปอีกแบบหนึ่งของของเราไปอีกแบบเป็ น, เ, ปนเทราวาตออกมามิกกเลโล ก, กบุธิสุมพุทธศาสนาที่มิกกับรัฐที่ท้องถิ่นก็ออกมาเป็นสยยาสร์ใช่ไหมถ้าหากว่าทั้งสามท่านของพระพุทธท่านหลวงพระชานหพ่เทียนไม่เกิดขึ้นในยุคนี้เนะี่ยแทบจะหมดหวังเลยแล้วก็จะเกิดปัญหาอยู่นี้ตลอดไปปัญหาการบ้านการเมืองสศกิสังคมการเมืองอะไรต่าง เมื่อก่อนมาเมื่อศึกษาวิธีการเจริญสติแบบหลวงพ่เทียนแล้วก็ชอบไปอ่านหนังสือว่าในตระกูลไหนชาติไหนพุทธศาสนาในประเทศไหนที่พูดคล้ายคลึหลวงพ่เทียนก็ไปพบหนังสือทันติธาหันใช่ไหมก็พูดแบบเดียวกันอมก็ลงทุนไปศึกษากับท่านว่าสติแบบที่ท่านัติธาหันสอนกับหลวงพ่เทียนต่างกันตรงไหนไปที่เดียร์พาร์กที่อเมริกาก็ไปที่ฝรั่งเศสก็ไป อันี้เมื่อไปนานๆเข้าเนี่ยมันมีการมิกเรื่องการเมืองเข้าไปเพราะพื้นฐานของท่านที่ได้ท่นก็คือท่านผ่านเรื่องการขัดแยง้งทางการเมืองมาอย่างสูงใช่ไหมท่านก็ถือเอาตัวพุทธศาสนาเนี่ยเป็นพื้นฐานในการ อ, าอาบรมสั่งสอนแล้ ว, วประกอบกับด้านตะวันตกมีปัญหาเรื่องความเครียดเรื่องเศรษฐกิจการเมืองมาสูงท่านก็เอาพุทธศาสนาที่เข้าไป แต่ทุกครั้งที่มีการพูดถึงเรื่องพุทธศาสนาท่านก็จะไม่ทิ้งเกี่ยวกับเรื่องยงธรรมะเข้าไปสู่การเมืองตอนปี4มันปีปี5ู้นะมาข้ามไปที่ฝรั่งเศสไปที่เดียไปที่แอนพาวเวลเลชไปเข้าซัมเมอร์รีทรีเดือนหนึ่งเนี่ยทีนี่วันสุดท้ายเนี่ยขาก็มีการไปสสรุป สมน า, าเรื่องพุทธศาสนาการเจริญสติที่ซิสเตอร์จันคงเนี่ยที่เป็นเลขาของพ่อทีรหันท่านบรรยายเรื่องนี้มีอยู่คำหนึ่งคือเพื่อจะตอกย้ำเรื่องที่เรือมนุษย์ที่ของเวียดนามที่เข้ามาทางสงขาแล้วถูกปล้นถูกจี้ถูกฆ่ากลางทะเลได้เยอะเพราะสลัดคนไทยว่ า, า<อ>คนไทยในพุทธศนคนไทยไม่ได้ถือพุทธศาสนาถ้าถือพุทธศาสนาจะไม่ทาอย่างนั้น แล้วก็พูดอีกคำานึ่งว่าไท a แลนด d เมคบุรีสมิตผ p o o r e อใช้คำว่า p o o เ e r อแปลว่าอย่างไรไทยแลนด์เมคบุร d สมิตผัวเร่อโอ้โหคำนี้กระทบมันมาอย่างแรงเลย <laughs> ว่าประเทศไทยทำให้ผู้สาตตกตำ่ำอับยยศว่าอย่างนั้นก็ได้นะผัวเร่อโอโ้มาว่า น่าจะเป็นกลางมากกว่านี้หน่อยนะครับเราก็นําจะบริษัทนะมาพันสองพันปีไม่ไม่ไม่ไมไมไมช้ากว่าเวียด น, นามมาก็เล ย, เยไม่คอท่าแล้วนะที่ฟังมาก็มีเรื่องการ่านการเมืองเยอะกันไปไม่ได้เพียวไมฟูเนตเลยนะเราเป็นโพลิติกอไมฟูเนตแล้วแบบนะี้เขาไปตอกย้ำเรื่องนี้บ่อยเข้าบ่อยเข้าคนไทยหลายคนเข้าใจออกกันนะตั้งแต่มามาก็ไม่ไปเหมือนนะี่ ก็ได้อาศใสหนังสืสอท่านเยอะที่ภาษาอังกฤษส่วนนที่มาใช้ก็เรียนรู้จากภาษาท่านใช้ภาษาดอกไม้เนาะภาษาอังกฤษของท่านเพล่อมากในกลุ่มของที่ดานันในภาษาท่านอา่านแต่เพราะดังนั้นเหตุการณ์อย่างนี้ในก่อนเวียดนามแตกก็เราจะเกิดที่เมืองไทยเหมือนกันนะแล้วก็เขาผ่านไปหมดละเมืองไทยเรเ ร, เริ่มต้นเพราะพุทธศาสนาของเรายืดเยื้อมาอย่างนี้นั้นหลังจากพระพุหูเปลี่ยนแปลงปับ๊บ ศิลปะต่างๆที่ท่านโพธิธรรมเข้าไปนำเข้าไปเผยแพร่เนี่ยตอนหลังท่นานก็ประยุกต์เรื่องการเคลื่อนไหวออกมาเป็นศิลปะต่างๆของจีนเช่นชีกงยิบนาสติกโยคะไทชิกๆล้วนมาแต่ต้นกำเนิดคือการเคลื่อนไหวของท่านโพธิธรรมเท่า น, นั้นกลายมาเป็นวัฒนธรรมของคนจีนปัจจุบันนะไปถึงญี่ปุ่นเกาหลี ท่านเหล่านี้ก็มาในฐาพุทธศาสนาแบบเสริที่พูดถึงเรื่องปณามต์ล้วนๆความก้าวหน้าด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมวัฒนธรรมของเขาจึงแข็งมากและปัจจุบันนี้เป็นไงเศรษฐกิจของจีนแข็งกวอเมริกาหลายเท่าอเมริกาเป็นที่จีนไม่รู้เท่าไหร่นะจนชายจะไม่ไหวโยนนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้มันมีอิทธิพลมายาวนานดังนั้นคือจุดหูวเรี้ยวหวัวต่อว่าในวิธีการถ้าเราเปลี่ยนจุดนี้ได้ทันพุทธศาสนาในสมัยนั้นเมื่อ เข้าถึงจุดนี้หลวงพ่อเข้าใจจุดนี้แล้วมาก็ถามหลวงพ่อเทียนถ้าอย่างนั้นชาวพุทธในเมืองไทยที่ว่า 95% บ้าเอร์มันจะเหลือสิบกี่เปอร์เซ็นต์หลวงพ่อที่เป็นชาวพุทธแท้แท้นะนะเนี่ยเพียวบุรีสเนี่ยกว่า 2% เปอร์ซไม่ถึง 2% ปอร์เซท่านว่าไม่ถึงปอร์ซได้สปหมายความว่าร้อยหนึ่งนะที่เป็นเรียวบุริสนี่เองไม่ถึงสองคนคนครึ่งว่าง้นเด้อที น, นี้คำถามนี้หลวงพ่อเอามาถามหลวงพ่เทนประมาณยี่สิกว่าปีมาแล้วเกือบสาสิบปีแล้วนะแต่เดี๋ยวนี้พั อัพเลยเนะอจากสองเปอร์เซ็นอย่างน้อยนะห้าถึงสิบเปอร์เซ็นตแล้วเนี่ ย, ย, ยถ้าสมมุติาพุทธศาสนาที่เราสอนกันถูกต้องจริงๆี่ยเรื่องเหตุการณ์ของพระสงฆ์มันจะไม่เป็นอย่างนี้เรื่องพระมีปัญหาพระศึกพระบวชพระกรรมฐานศึกษาประเดี๋ยวกันมาสิบยี่สิบปัญาสามสิบปัญาก็จะไม่เป็นอย่างนี้นแต่ยังจบหลักพุทธศาสนาไม่ได้ถึงเป็นอย่างนั้นอ่า โลลปาฮีโนใช่ไหมเป็นผู้ชักฆ่ากิเลส อ, อะไรเครื่องโลเลทั้งหลายเนี่ยมันจะไม่มีสังขะที่เราสอนมาเมื่อกี้จําได้ไหมเครื่อง ค, อ ค, อคือจะไม่โลเลแต่ในนั้นโลลาปาฮีโนอะดิชูเมทัสโซเป็นผู้มีปัญญาตัดกิเลสเครื่องโลเลออกไดน้นี่ยยังโลเลอยู่ เดี๋ยวเป็นพระเดี๋ยวเป็นโยมเนี่ยแสดงว่ายัางไม่ได้เข้าถึงพุทธศาสนาที่แท้เลยถึงปฏิบัติกรรมฐานมายี่สามปีก็ไม่ได้ช่วยตรงนั้นเลยไม่ได้ตัดเครื่องโลเลไปไม่ได้ดังนั้นเราจะเห็นว่าพุทธศาสนาเราถูกมิกมามากจะด้วยระบบการปรกครองระบบการศึกษาเศรษฐกิจเมืองก็ตามแต่ทำให้ผูศ้ศาสนาออกมาเป็นแบบนี้นะดังนั้นก็จึงอยากจะให้พวกเราทั้งหลายมาศึกษาในส่วนที่ทั้งสองส่วน เหมือนกับมิกระหว่างส่วนโมกกับหลวงพ่อเห็นเขาได้กันศึกษาส่วนที่ทั้งบัญญัติได้ตรวจสภาวะไปพร้อมๆกันคนยุคใหม่นะ่าจะออกมาเป็นแบบนั้นถ้าหากว่าท่านจากักรพรรดิหูไม่พบกับท่านทักม้อนเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะเอาพุทธศาสนาเป็นเครื่องมือเพื่อสนับสนุนบาลังของตัวเองเ่ยจกักรพรรดิหูใช่ไหมแล้วท่านจึงทักม้อเนี่ยถ้าท่านคืนธรรมีท่านตกนรกนะใช่ไหม เพื่อสนับสนุนบารมีของตัวเองเพื่อจะครอบงำประชาชนของตัวเองแต่พอ พ, พุทธศาสนาที่ท่านให้หายทอดไปจากท่านดรักม้อนเนี่ยให้ไปดูว่าจิตเนี่ยมันเป็นต้นต่อของอะไรกันแน่จิตกับตัวรู้เนี่ยมันคนละตัวจิตคือตัวรับอารมณ์เข้าไปเพื่อสังสมที่จะเป็นตัวสังขารแต่ตัวรู้มันเป็นตัวของมันล้ว น, วนใช้กรรมวิญ ญ, ญาณหรือญาณ คิดแปลว่าสั่งสมจิตต์โดยนั้นแปลว่าสั่งสมเก็บสิ่งที่ได้รับรู้เข้ามาเป็นตัวของมันเองแล้วพร้อมที่จะปรุงแต่งได้แต่เวลาแต่วิญญาณเป็นตัวรับรู้รับรู้แล้วก็แยกออกนะแยกระหว่างอารมณ์ต่างๆออกไปเหลือแต่วญาณล้ ว, ลวนๆเป็นเพียวไมายตรงนั้นท่านถึงกล่าวบอกว่าไม่มีจิตเป็นสุญญาตาคือว่างจากจิตถ้าบอกว่าจิตว่างนี่ยังไม่แน่จะถูกต้องหรือเปล่า เราก็แปลส่วนใหญก็ว่าจิตว่างใช่ไหมสญญาตาแต่มางว่าแปลใหม่น่าจะว่างจากจิตนะมันไม่มีจิตท่า น, นบอกไม่มีจิตจิตไม่มีมีแต่ตัวรู้นะนั้นคำว่าตัวรู้ตัวเนี้ยให้เอาไปศึกษาเยอะๆแล้วเราจะรู้ว่าอพุทธศาสนาที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็ถือเอามาย่อยมาแยก เพราะว่ามันถูกมิกมาตั้งแต่อินเดียแล้วอินเดียมอยู่ไม่ได้เพราะอะไรเพราะไปมิกเยอะเกินไปไปมิกกับใครศาสนาพราหม์ศาสนาฮินดูมันก็ไปเกี่ยวข้องกับวัตถุเยอะเกินไปพราเกี่ยวข้องวัตถุก็ราะต้องเกี่ยวข้องกับสมมติบัญญัติเกี่ยวข้องสมมติบัญญัติก็กระทบไปเรื่องของผลประโยชน์อำนาจและการเมืองในที้สุดเมื่อเกิดลบกันก็ฮินดูก็กวาดผู้ใศาสนาเอาอินเดียเรียบร้อยไปเลย จนกนระทั่งปัจจุบันนี้ยังกลับคืนไม่ได้เลยแล้วก็มาเจริญทางนี้นดังนั้นเองเราปฏิบัติเมื่อเรามาสู่การปฏิบัติแล้วเราจะต้องสํารวจเอาสาระแท้ๆของพุทธศาสนาดูแต่ไม่ได้ไหมายความว่าเราจะไม่สนใจเรื่องสมมุติบัญญัติแต่เราจะจัดการสมมุติบัญญัติได้ถูกต้องขึ้นถ้าเราเข้าใจปรมัตาบัญญัติถือหมายว่าเข้าใจตัวรู้แล้วเนี่ยเราจะไปจัดการกับจิตได้ แต่ถ้าไม่มีตัวรู้ไปจัดการกับจิตไม่ถูกเพราะจิตมันคอมพิวเตลึกซึ้งละเอียดใช่ไหมสับสนขนาดไหนเพราะฉะนั้นการที่ตัวรู้นี้ก็ต้องสร้างมาเป็นตัวรู้ที่เกิดจากธรรมะจากสูหรือปัญญาจากสุที่เราพากันไปนเมื่อวานใช่ไหมเมื่อเรามีปัญญาจากสูเราก็จะเห็นจิตเมื่อเห็นจิตแล้วก็จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นกับจิตในแต่ละเวลา และสิ่งที่เกิดขึ้นกับจิตนี่มาจากอะไรกระทบผลขึ้นไปจิตเกิดจากตัววิญญาณรวมของวิญญาณสังขารสัญญาวิทนาและกรูปุกเกิดมาเก็บจิตตรงนี้พร้อมที่จะไปจิแต่สังขารดังนั้นเวลาเราเรียนเราปฏิบัติเนี่ยเราจึงพยายามที่จะเข้าไป รู้ในสิ่งที่มันกําลังปรากฏชัดๆในตัวเราเนี่ยมันมีเกี่ยรู้หึรู้เกิดจากเวทนาคือยีร้อนอ่อแข็งเค่งถึงเจ็บปวดขนาด น, นี้ใช่ไหมอันนี้สัมผัสได้ตลอดเวลาเวทนาก็ให้เกิดอะไรสัญญาว่าอันนี้อาการอะไรเจ็บอาการปวดอาการสมมติเป็นเป็นอาการเราไปสำคัญให้เห็นให้มีสัญญาว่าอันนี้อาการแต่อาการเหล่านี้ มันสร้างเป็นความคิดได้ไหมเป็นได้เป็นสังขารแล้วก็แยกรับรู้เป็นเรื่องราวต่างๆเป็นวิญญาณเมือ่อการทำงานของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ขาดตัวรู้เพียวเพียวล้วนล้วนเนี่ยมันก็ออกมาเป็นจิตดังนั้นเราก็เริ่มต้นศึกษาใหม่ว่าณปัจจุบันเนี่ยที่เราสัมผัสตัวรู้ในตัวเราจริงคือตัวรู้อะไรบ้างตัวรู้กายเรียวกวเวทนา ตวรู้ที่จิตออกมาเป็นความรู้สึกนึกคิดใช่ไหมเพราะนั้นในตัวที่เป็นความรู้สึกนึกคิดคือคำสรุปของคำว่าขันห้ารู้สึกนึกคิดนะเพราะนั้นคำว่ารู้สึกนึกคิดก็จะมีคำแยกออกมามีระหว่างรู้สึกกับนึกคิดใช่ไหมรู้สึกคือวิญญาณนึกคิดคือสังขาร นั้นเราก็มาแยกอาตัววิญญาณออกมาก่อนเพียงแต่มาแยกเอาตัวรับรู้อารมณ์อารมณ์ต่างๆเนี่ยออกให้มันเหลือตัวรู้ล้วนมีช้อยมีทางเลือกอะไรทีเนี่ยก็คือมาแยกตัวรู้ล้วนออกมาอีกทีหนึ่งตัวรู้ล้วนๆนั่นก็จะมาเห็นตัวรู้ของเวทนาเวทนามันยังเผยสงสารด้วยรูปคืออาการของเย็นร้อนอ่อนแข็งเข่งตึงเนี่ยเป็นอาการของรูปใช่ไหมมันก็คือเป็นรูปนั่นเองถ้าไม่มีอาการเหล่านี้เราจะรู้ว่าเรามีรูปไหม ถ้าไม่มีอาการของเวทนาเราจะรู้ว่าเรามีรูปไหมไม่มีคนตายคนเป็นคนพิ่งองาพ่านคือมีรูปกือเหมือนไม่มีรูปเพราะเวทนาไม่ทํางานเรารู้ว่าเรามีรูปเพราะรามีเวทนาเป็นตัวบอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวทนาก็จึงเป็นตัวแสดงของรูปตัวแสดงว่ามีจิตอยู่อะไรเป็นตัวแสดงเพราะเรารู้ว่ามีกายเพราะเวทนาเป็นตัวแสดงใช่ไหมเรารู้ว่าเรามีจิตอะไรเป็นตัวแสดงอย่าลืมหลัก กายก็เวทนาจิตแล้วก็อะไรธรรมารมณ์เรารู้ว่ามีจิตเพราะมีธรรมารมเป็นตัวแสดงแต่เ ร, เรียกสั้นๆว่าอารมณ์อารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์อารมณ์อมอชอบไม่ชอบเนี่ยเป็นตัวอาการของจิตมีอาการนะอาการของรูปเราก็เรียกว่ารูปอาการของนามเรียกว่านามรูปแต่ว่ามีนามอีกตัวหนึ่งล้วนๆไม่มีอาการเลยแล้วเรียกว่า เราเรียกว่าตัวรู้ตัวรู้อย่างนี้จะสมมุติเรียกว่าสติสมาธิปัญญายาณวิชาอารมกะอะไรก็แล้วแต่กันเรียกว่าตัวรู้ก็แล้วกันนะแต่ทําไมมันหลายชื่อก็อย่างสมมุติว่าขนมเนี่ยชื่อเดิมมันอะไรคือข้าวข้าวกลามาเป็นแป้งแป้งกลามาเป็นอะไรอขนมชื่อเดิมก็คือข้าวนั่นแหละ แต่มันถูกมิกผสมผสานตามแยกหน้าที่ออกไปใช่ไหมเมื่อแกามาเป็นขนมนั่นขนมนี่ร้อยขนมพันขนมก็ไปจากอันเดียวคือแป้งหรือข้าวเหมือนกันอารมณ์ต่างๆที่มีร้อยอย่างพันอย่างก็ไปจากตัวรู้อ่าทีนี้ตัวรู้มันไปมิกกับภาพก็เป็นนา ม, มารูปใช่ก็แยกไปเรื่อยๆเพราะนั้นถึงมาตั้งต้นที่ตัวรู้ตัวรู้มีจิตไหม เป็นตัวรู้ไม่มีจิตตรงนี้เขาเรียกว่าสุญญะตามาจากคำว่าสุกับยาตามภาษาบาลีนะยาแปลว่ารู้ยานะแปลว่ารู้เรามาใช้คาว่าสัญญาณเยอะรู้สุแปลว่าชัดชัดเจนสุญญะตาแปลว่ารู้ชัดชัดเมื่อรู้ชัดชัดแล้วจิตไม่มีอยู่ในนั้น รู้ชัดใชเขาว่าสุ ญ, ญีตาใช่าว่าปัญญาเช่นปัญญาแปลว่ารู้ชัดใช่เวลาเราสวดอิมัสเกวระสะทุกขคันทศสะอันตะกิยาปัญญาเยธาติทำฉไนการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสินี้จะพึงปรากฏชัดเพราะนั้นปัญญาแปลว่าปรากฏชัดเดิมรากเดิมของเขานะแปลว่าปรากฏชัดปรากฏ เห็นอะไรชัดๆเียมันเป็นเหตุให้เกิดปัญญาแล้วส่วนใหญ่เราเห็นอะไรไม่ค่อยชัดใช่ไหมผ่านผิวเผินปัญญาก็เลยไม่ชัดเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็เลยเอาตัวเวทนาเป็นตัวศึกษารูปกายเราก็บำบัดเวทนาไปเรื่อยๆเพื่อจะให้รูปนี้อยู่ได้ไม่ได้แล้วก็บำบัดบำบัดด้วยสองอย่างหนึ่งตัวรูปแบบสัญชาติญาณบำบัดแบบไหน ไม่สบายพิกไปเลยใช่ไหมรู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นอะไรเป็นรอ knowledge หรือ Raw mindfulness เป็นสติดิบหรืออ n s t ติ c t หรือสัญชตาตญาณใช่ไหมหรือ h a b บิตแต่ถ้าสมมติว่าเอาละมันปวดมันไม่สบายแล้วเกิดการตามรู้ขึ้นมาอ๋ออันนี้อาการปวด นี่ๆตัวตัวรู้รู้ล้วนจะเริ่มเริ่มตรงนี้เองเราจึงสมมุติว่าสติตามรู้คืออนุปัสนาไม่ใช่กำหนดรู้นะแต่เช่นเช่นว่าอนุปัสนากายานุปัสนาสติสติตามรู้อนุเป็ว่าตามปัสนาเป็ว่าเห็นตามรู้ต า, ตามเห็นตามเห็นอาการนั้นอาการที่ตามเห็นนั่นเองคือตัวสติแบบแบบที่ต้องการนะ ไม่ใช่ฌานนะถ้าไม่ใช่ฌานนะท่านใช้อนุปัสสนาถ้าฌานคือเพ่งเพ่งดูลู้อีกทีหนึ่งจึงไม่ใช่วิปัสนาล่อนนะอนอนุปัสสนาอนุปัสสนาทําอย่างถูกต้องมันกลายเป็นวิปัสนาคนละเรื่องกับฌานเลยทีนี้ทีนี้พอตามรู้โออาการนี้อาการปวดของใครปวดขานี้ปวดของใครปวดของรูปปวดของเวทนา แต่เราไปคิดว่าการปวดเนี่ยมันเป็นปวดของเราตรงนี้มันเริ่มผิดตั้งแต่นั่นแล้วขาเราปวดอะ่ะเออมันก็ออกมาเป็นสร้างอะไรพอเห็นเราปับสร้างตัวอัตตาขึ้นมาเลยใช่ไ้ยแล้วเกี่ยวข้องกับเราเราจะนั่งไปทำไมั่างเพื่ออะไรได้อะไรเราลาคาญเราหงุดหงิดเราเรามาหมดเลยที่นี่มันก็ไปฟอร์มเป็นคำว่าอัตตามานอัตตาขึ้นมาเลยนี่จิตไปสร้างอัตตา ที่จะทำไงให้ตัวรู้นี่เป็นเป็นเพียว knowledge เพียว mindfulness ทไงก็คือแยกตัวรู้ออกมาจากเวทนาตัวรู้เวทนาแล้วถ้าตัวรู้ที่แยกมาเวทนาแล้วมาจัด ก, การเวทนาแทนที่จะพลิกไปปั๊บเลยใช่ไหมเราจะมีการจัดมีการขยับขยับเราเห็นการคลายไปเห็นการเข้มหรือเห็นการหนักของความรู้สึกที่เป็นเวทนานั้นเห็นเป็นปัชนา เห็นแล้วทีนี้มันก็ยังขังอยู่นะมันไม่ใช่เชียนคอมพลีทเลียมันก็ลืมเปลี่ยนขณะที่ยกเปลี่ยนเนี่ยอาการของการปวดตัวนี้หายไปทันทีไหมค่อยหายจากหนึ่งเปอร์เซไปถึงร้อยเปเซนการที่ความเวทนาความรู้สึกไม่สบายมันหายไปทีละนิดจากหนึ่งถึงเปอร์เซนเี่ยเราตามได้ไหมตามได้กี่เปอร์เซ็นต์ ตามได้มีกี่เปอร์เซ็นจากหนึ่งถึงร้อยเนี่ยเรานับว่าไอการปวดเนี่ยหนักขนาดเนี้ยร้อเปเเลยใช่ไหมนี่พอขยับปั๊บเนี่ยหายไปกี่เปอร์เซ็นเห็นตามเราดับไหลักษณะนี้ตรงท่านใช้คําว่าสัมปชัญญะคือได้เห็นอาการนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอย่างชัดเจนเรียกว่าสัมปชัญญะเวลาเราปฏิบัติเรานึกถึงตรงนี้ไหม บางครั้งฉันก็ตามรู้าฉันก็ไม่ได้ตามรู้แต่อย่าไปคิดเลยว่ามันลดลงจากหปอร์เซถึงร้อยปอร์เซนตะซึ่งเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากพอมาเข้าใจอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมาโอ้สนุกกับการศึกษาเลยกันนี่สนุกกการศึกษาใช้ประยุกต์ไปทุกเรื่องแม้แต่มือเราจะยกไปเนี่ยถ้าเราไม่มีจิตวิญญาณมันจะยกไปอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันต้อง ม, มีที่มาที่ไปไอ้การที่ยกไปอย่างนี้ได้เนี่ยแต่เราเคยตามรู้มันร้องไหม มันไปเลยวับก็บไปเลยมันไปได้อย่างไรนั่นคือความรู้ที่เป็นสัญชาตญาณเราจะไม่มีตัวรู้แต่เราจะทําสัญชาตญาณเป็นตัวรวมของอะไรอวิชชาตันหาอุปท า, านกรรมนะเป็นเรียกว่าสัญชาตตญาณคือตัวรู้ที่มันมีอยู่ดั้งเดิมคือสิ่งที่มันเป็นดิบดิบเถือเ่อนนั่นแหละแต่พอมาเป็น ตัวรู้อย่างตามรู้มันกลายเป็นปัญญายานหรือวิปาาัสนาญาณญาณเหมือนกันอันนึงเป็นสัญชตาตญาณอันนึงเป็นปัญญายานถ้าเราตามรู้ชัดเจนเท่าไหร่ถ้าตามรู้แบบไม่ค่อยชัดเรียกว่าสัมปชัญญะดูให้ดีนะตามรู้ชัดขึ้นไปอีกกว้างขึ้นไปอีกเป็นสัมัญะเปลี่ยนเป็นปัญญา ตามรู้กว้างเลยลึกลงไปอีกสัมปัญญากลายเป็นปัญญายานและปัญญารู้ชัดก็อีกเป็นวิปัสนาญาณไปตามลําดับรู้ชัดแจ้งก็มีอีกเป็นญาณทัศนะ์รู้จนสลัดทิ้งได้คอมพิลี่เลยเป็นญาณทัศน์วิมุตติเห็นไหมมันพัฒนาไปจากตัวรู้ตัวนี้ธรรมดาเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่ชัดเจนอยู่ในตัวของมัน แต่เนื่องจากว่าเราไม่ได้ศึกษาสังเกตที่ละเอียดถี่ถ้วนเราก็ไปสรุปเอาว่าเป็นอนันอันนี้ขึ้นมาตรงนี้คือตัวเาะฉะนั้นเราถ้าเป็นการศึกษาก็ศึกษาแบบเป็นไมโครนะปไม่ใช่เป็นแมคโเมื่อก่อนนะเป็นไมโครนอ o w เรชคือทีละขนาดที่นั่นที่มาตรงกับระบบปัจจุบันเรียกว่าอะไรระบบดิจิทัลที่ขนาที่ขนาที่ขณะที่ชิ้นไปใช่พัฒนาการสูงสุดของวัตถุทวเนี่ย อาจจะเป็นที่ก็เราเป็นอะไรเป็นไมโครชิพละเอียดขึ้นไปเป็นเซลเป็นอะไรต่างๆการศึกษาเรื่องจิตก็เช่นเดียวกันการศึกษาเรื่องตัวรู้ก็เช่นเดียวกันเราจะต้องลักษณะอย่างนี้ใช้คําว่าโยนิโสมณนะสิการแต่หลวงพ่อนํามาบอกหลวงพ่อเทียนนามาพูดก็คือการยานามิตรทำหน้าที่การยานามิตใช่ไหมแต่เมื่อเราเข้าใจแล้วเรานําไปแยกไปย่อยไปศึกษาด้วยตัวเองเรียกว่า โยนิโสมนสิการซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เราต้องมีอย่างน้อยห้เอร์ซตแต่การได้รับคําแนะนําที่ถูกต้องไม่สับสนไม่เบอิอไม่พลาดไม่มัวไม่ผิดทางเป็นที่เราต้องได้รับจากกัลยาณมิตรถ้ากัลยาณมิตรยังไม่ชัดเจนในเรื่องนี้ก็จะลงเรื่องเรื่องนี้ไม่ได้แล้าก็จะตามรู้ชัดไม่ได้ดังนั้นขอให้เราเห็นความสําคัญของเรื่องนี้แล้วตามศึกษาอย่างถูกต้อง การสึกษาอย่างก็ต้องต้องเริ่มต้นณนะปัจจุบันสเสมงข้นไปเพราะมันเปลี่ยนอยู่ทุกขณะใช่ไหมถ้าจะไปตามลึกในอดีตอนาคตมันมันผ่านไปแล้วอดีตก็ผ่านไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาแต่ขณะ น, นี้ปัจจุบันความรู้สึกที่เรานั่งขณะ น, นี้ระหว่างนาทีที่ผ่านมากับขณะ น, นี้ต่างกันไหมชั่วโมงที่ผ่านไปแล้วชั่วโมงนี้ต่างกันไหมต่างแล้วใช่ไหมด้วยโกฎของอะไรโกธของตรรัตคืออา น, นิจจังทุกขังนะทำงานตลอดเวลา เราจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเราจะเกิดหรือไม่เกิดกฎนี้ก็ต้องทําตามหน้าที่ของมันเพราะดังได้กล่าววันก่อนว่าอานิจจังทุกขังรัตตา ม, มันจะทํางานทุกที่แต่เมื่อมีรูปไม่ว่ารูปนั้นจะเป็นรูปทางกายหรือรูปทางจิตก็ตามอานิจจังทุกขังรัตาก็จะตามเข้าไปทําหน้าที่ของมันเพราะมันกฎของการเกิดดับนะกฎขอการเกิดดับหมายความเกิดขึ้นแล้วต้องดับ เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะนิจังทุกขังหน้าตา ด, า, ะะาดับเพราะอก็ดับเพราะนิจังทุกขังหน้าตาเหมือนกันดังนั้นการขยับเขยืขย้นเคลื่อนไหวเนี่ยถ้าเราเป็นผู้เข้าใจลักษณะแบบนี้แล้วมันจะมีความหมายมากขึ้นแต่ถ้าสมมุติเราไม่เข้าใจไม่ชัดเราพยายามขยับเเคลื่อนไหวแบบชัดเจนเนี่ยตลอดเนี่ยเป็นไงนานๆเครียดใช่ไหมจิตถูกบังคับ ที่กรรมฐานบางสายใช่ไหมที่มีอาการเกรงเครียดผิดเพี้ยนติดอารมณ์วิปัสณูวิปรัชฌ์รรกันก็เพราะว่าสําคัญมั่นหมายว่าสติเป็นรูปสําคัญานามเป็นรูปสําคัญว่ารูปเป็นน้ำไม่ชัดตรงนี้แล้วไปบังคับน้ำให้เป็นรูปไปบังคับรูปให้เป็นน้ำก็เกิดอาการสําคัญผิดกลายเป็นมรณอัตตาจะบังคับให้สติชัดที่สุดเนี่ยตามที่เราต้องการ สตินั้นเป็นสติของอะไรของตัณหาที่อยากจะให้มันชัดแต่มันไม่ได้ชัดตามความเป็นจริงชัดมากเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับศักยภาพของเราที่เข้าใจอยู่กาลังของปัญญาถ้าเราเข้าใจแล้วชัดเท่าไหร่ช้าเท่าไหร่ก็ไม่เครียดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะมันทำด้วยความเข้าใจแต่ทำด้วยความไม่เข้าใจทำให้น้มกลายเป็นลูกท้ายรูกกลายเป็นน้ำเกิดปัญหาทันทีเลย เพราะนั้นในวงกระบฐานจะมีการผิดเพี้ยนเกิดขึ้นยังไงบางทีคนดีๆปฏิบัตินานๆกลายเป็นเพี้ยนไปเลยเสียคนไปเลยเพราะการชี้แนะการชี้นาของกระดานมิตรไมช่ชัดเจนหรือบางทีท่านชี้ชัดเจนแต่ว่าตันหาวประธานข้อเราแรงเกินไปอยากจะได้มากเกินไปแล้วไปทําผิดผิดพลาดพเพราะฉะนั้นจึงมีการตรวจสอบมีการสอบรมกันตลอดเวลานในวิธีการวาเทียน แต่วิธีการอื่นฉันบอกเธอแล้วเธอก็ไปทําเองก็แล้วกันอผิดถูกก็เป็นเรื่องของเธอก็แล้วกันฉันบอกถูกแล้วนะที่นี่รายละเอียดอย่านี้มันไม่ใช่ไปให้ไปเรียนหนังสือเพราะหนังสื อ, อ, สอความรู้ต่างๆมันเป็นอะไรเป็นรูปใช่ไหมเป็นรูปธรรมแต่อันนี้เป็นนามธรรมาจะทำอย่างนั้นไม่ได้น่าต้องติดตามดูดูแลกันดังนั้นในพระในวิธีการอภิเทียนจึงเกิดยากเพราะอะไร เพราะงานมันหนักพนยะายามปฏิบัติทั้งทั้งวันทั้งเจ็วันทั้งปีอย่างเงี้ยถ้าไม่เข้มแข็งจริงๆไปรอดไหมไม่รอดเดี๋ยวก็เลิกพระก็หนีนะนะอย่างน้อยก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพมีปัญหาเรื่องอไม่ได้พักผ่อนไม่ได้ผ่อนพักใครจะมาทำแต่ถ้าปฏิบัติถูกแล้วมันเป็นการพักผ่อนตลอดเวลาการได้ทำงา น, นก็มีความสุขในการทำเพราะอะไรเพราะเราได้อานิสงส์ได้วย ใช่ไหมไอ้หลวงพ่อทํางานทั้งปีไม่เห็นพักมันมาพักตลอดเวลาแล้วเนะี่มาไม่ได้ทำงานนะแต่ว่าในทําในสิ่งที่เราเป็นนะทังนั้นในจุดเนี้ยมันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนจึงไม่อยากจะให้เราลังเลแต่ถ้ามีอะไรลังเลสงสัยแล้วอย่าทิ้งเอาไว้ต้องมาคุยกันทันทีเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงหลวงพ่ออย่างนี้อย่างนี้ต้องมาถามนะเวลาเราไปลงมือทำเนะี่ยถ้าเรายังลังเลไม่มั่นใจเนะี่ยมันช้า มันมันย่ำอยู่ที่เกา่าแต่ถ้าหากว่าเราทําด้วยความมั่นใจด้วยไม่ลังเลเนี่ยมันไปข้างบนเรื่อยๆเพราะการเดินทางทางจิตมันไวมากไม่ใช่เหมือนการเดินทางทางกายเพราะนั้นสมัยก่อนพุทธเจ้าแสดงธรรมที่ถ้าจบแล้วบรรลุธรรมเลยใช่ไมการเดินทางจากสัตว์นรกก็ขึ้นมาเป็นพระอรหันต์เลยอ่ะมันไวขนาดนั้นอย่างพระองคุลิมาใช่ม แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยจิตเปลี่ยนไปนคนละด้านเลยดังนั้นเองเราอย่าท้อในเรื่องอย่างเนี้ยให้ให้ทําไปให้ถูกสู้ว่านั่งไปเนี่ยเราต้องสํารวจสติสมัม ญ, ญาสํารวจกายของเราว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าก็ดูมันไปเรื่อยๆอย่าพึ่งตามมันดูดูอาการมันหนักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็จะคอยสํารวจเฝ้าดูว่า อาการที่มันหนักไม่สบายทางกายแลย้วเริ่มเข้าไปเฮิร์ตเข้าไปทําร้ายจิตเลยยังเข้าไปกระทบจิตเลยยังแต่ถ้าจิตยังเฉยๆจิตยังสบายๆอยู่ตัวนั้นเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูนไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าต้องระวังสองอย่างหนึ่งไม่หนักเกินไปที่จะไปการเปลี่ยนเบี่ยนกายสองไม่หนักเกินไปที่จะไปทําร้ายจิตถ้าหากว่ามันเป็นขั้นใดขั้นหนึ่งการเปลี่ยนต้องเกิดขึ้นถ้าคุณฝืนต่อไปนัคุณทําผิด นึงคือการเปลี่ยนเบียนตัวเองทั้งทางกายและทางจิตแต่ร่างกายก็โผทนได้จิตใจก็ไม่ถูกอาการล่านี้ทำร้ายทาไปเรื่อยๆดังนั้นไม่ต้องถามว่าจะนั่งกี่นาทีนะแล้วแต่ว่าคุณสกัดกัน้นเวทนาตัวนี้ไม่ทำร้ายกายไม่ทำร้ายจิตได้อย่างไรแต่ถ้าสมมติว่าทำไปไม่ถึงหนึ่งนาทีเนะี่ยไม่อยากจะเปลี่ยนแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอะไร อันนี้กายไม่ได้เบียดเบียนจิตแล้วจิตเบียดเบียนจิตเองนั่นคือตัวอยากคือตันหาใช่ไหมเพราะฉะนั้นตันหานี่ไม่ต้องนั้นเลยจัดการทันทีเลยอุปคาตะโกฆ่าเลยท่านบอกว่าอุปคาตะโกเข้าไปฆ่าทันทีต้องเป็นนักฆ่านะแต่ไม่ใช่นักฆ่าลุมเจ้าพญานต้องเป็นนักฆ่าวุฒิเจ้าหลวงพระเห็นบอกฆ่าคนใช่ไหมงั้นฆ่าคนมันถึงจะได้บรรลุธรรม คือค่าความเป็นคนคนไม่ชอบคิดปฏิธสธ ม, มุติใช่ไหมเ อ, อเพราะองค์ุลิมานฆ่าคนนะถึงได้บรรลุธรรมว่างั้นไปนู่นเลยนะเดี๋ไปฆ่าบางคนนึกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่เราจะได้บรรลุธรรมภาษาอีสานก็เลยฆ่าพ่อตีแม่คือหมายความว่าพ่อเราคือใครอวิชาแม่เราคือใครตันหาฆ่าตันหา ค่าวิชาและตันหาเสียจิตมันจะพ้นทุกข์จิตจะบรรลุธรรมท่านหมายถึงอย่างนั้นแต่ท่านทาปิิศนาเพื่อให้เกิดการช ม, มุนเท่านั้นเองอยากมีศีลให้ข้าวพอดีแม่อยากภู ม, มิวะให้ข้าวมู่เดียวกันอยากขึ้นสวรรค์เปิดศีลในวัดจริงๆเขาขึานฝนๆทั้งนั้นเลยนะภ า, าษาอีสานนั่น น, ะนั้นสิ่งเหล่านี้เราเราจะต้องศึกษาการเคลื่อนไหวของเราแต่ละครั้งการพลิกเปลี่ยนของเราแต่ละครั้งมีเบื้องหลัง มีที่ไปที่มาแต่ถ้าเราจัดการกันมาโดยไม่รู้เบื้องหลังไม่รู้ที่ไปที่มาเรียกว่าเราทําตามสัญชาตญาณและสัญชาตญาณเนี่ยไม่มีผลต่อการพัฒนาวิพัฒนาแต่มันจะมีผลทําให้พัฒนาตัวอวิชาตัญหาอวบฐานมากขึ้นเรื่อยเรื่อยให้อวิชาตัญหามีกำลังเพราะมันถูกตอบสนองไม่สบายเาะฉันก็เปลี่ยนไม่สบายเพราะฉันก็เปลี่ยนสัญชาตญาณของเราวัยขึ้นวัขึ้นไปขึ้นวัขึ้ น, นในที่สุดเราเปลี่ยนโดยไม่รู้ตัวเลย ใช่ไมแต่พอเราตัดสัญชาติยานตัดสัญชาติออกให้เหลือแตยานก่อนที่จะเปลี่ยนต้องรู้ก่อนว่าเพราะอะไรจึงเปลี่ยนอ่าแล้วขณะที่มันปวดอยู่ขณะ น, นี้หนักแค่ไหนทํำลายกายหรือทำลายจิตเบียดเบียนกายเบียดเบียนจิ mandatory. ตหรือเปล่าตรวจสอบก่อนการลักษณะเข้าไปตรวจสอบด้วยการใช้อะไรใช้โยโนิโสหรือใช้ปัญญาและตัวชี้เป้าคือตัวสติที่เรากําลังยกเนี่ยถ้าเราไม่ สร้างตัวรู้สึกตัวเรื่อยๆเนี่ยสติของเราที่จะมาชี้เป้าชี้ออชไม่ถูกเพราะอะไรเพราะความรู้นั้นถูกจิตพาไปเรื่องอื่นซะมันไม่ได้พามาที่นี่อพอเรากระตุกความรู้สึกตัวเรื่อยๆจิตของเราก็พาสติรู้ก็พาจิตกลับมาเมื่อพาจิตกลับมาปั๊บมันก็ต้องมารับรู้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นการรับรู้สิ่งเกิดเข้าไปจัด ก, การอย่างไรเป็นหน้าที่ของสัมมัญ ญ, ญและปัญญานี่ นี่คือเหตุที่ไปที่มาของมันดังนั้นเองในสี่เหล่านี้นเพราะว่ามันเป็นเป็นเป็นข้อแท้จริงเป็นแฟกต์มันไม่ใช่เป็นข้อคิดจินตนาการเป็นทฤษฎีเป็นวิชาการอะไรแต่มันเป็นแฟกต์ที่เราต้องสัมผัสอืแล้วปฏิบัติแบบนี้เป็นลักษณะก็ว่าสุขขาปฏิปทาขิบปีบปะพญญาปฏิบาาัติปปญญง่ายและรู้เร็ว <c oughs> เพราะการลักษณะปฏิบัติมันมีสี่อย่างขอ <c oughs> <c oughs> โทษอันแรกเรียกว่าทุกขาปฏิปทาทันทาพิดาปฏิบัติยากลําบากแล้วก็รู้ช้าคือสมถะใช่ไหมแล้วก็ทุกขาปฏิปทาขิปปิญญาปฏิบัติยากก็รู้เร็วอันที่สามสุขาปฏิปทาทันทาพิาปฏิบัติง่ า, ายาแต่รู้ชา้าอันที่สี่ สุขาปฏิปทาขีปปิย ญ, ญปฏิบัติง่ายแลยก็รู้เร็วคือวิปัสสนาแต่ถ้าปฏิบัติไม่ถูกมันก็เปิดการเป็นสมถะคือทุกขาปฏิปทาทันทามิญญาปฏิบัติยากแลยก็รู้ช้าหรือไม่รู้เลยนะดังนั้นเองในลักษณะของการปฏิบัติและการศึกษาร่วมกันไปเนี่ยเราจะต้องมีความแยบคายมีศรัทธาในการที่จะทําที่จะศึกษาแต่พึงระวังตัวยาก อยากจะให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการใช่ไหมอันนี้คือปัญหาดีลลวาีไว้ยูอินไวยัวฉจะไดเดิน้าวิไอวินทอรเธอเลวิาณเธดังนั้นเรื่องเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เราจะต้อง มาทบทวนกันใหม่ในการศึกษาพุทธศาสนาโดยมาศึกษาที่ตัวปรมัตจุดัวสภาวะให้ชัดเจนก่อนแล้วเราจะไปเกี่ยวข้องกับวัตถุทั้งหลายได้ง่ายเหมือนกับมาศึกษาตัวรู้ก่อนแล้วไปเกี่ยวข้องกับจิตจิตไปเกี่ยวข้องกับกายได้ง่ายขึ้นถูกต้องขึ้นเราจะไม่แปลปรวนเราจะไม่อาพาสเราจะไม่เจ็บป่วยได้ง่ายเพราะเราแก้ปัญหาที่เหตุใช่ไหม เหตุองการเจ็บป่วยไม่สบายมาจากอะไรทุกเวทนาใช่ไหมทุกเวทนาระดับไหนะ <c oughs> รนะดับหยาบเมื่อรู้ไอ้วทนาระดับหยาบมันก็ต้องไปจากระดับละเอียดเรารู้เวทนาระดับหยาบมีมากเข้ามากเข้าก่ให้เกิดความเจ็บป่วยกลัวเกิดอาภาตเราก็ให้รู้ทันเวทนาระดับกลางแต่ว่าสติเรายังไม่เข้มพอแม้แต่ระดับกลางก็ยังตามไม่ทันใช่ไหมก็ต้องฝึก สติสัมัญญาให้มากขึ้นจนกระทั่งตามระดับกลางแล้วก็ฝึกที่จะให้มารู้ระดับละเอียดเมื่อแก้ปัญหาแก้เวทนาทั้งระดับละเอียดและระดับกลางได้เนี่ยมันมีโอกาสสังสมเป็นเวทนาหนักไหมไม่เป็นเพราะทุกครั้งที่มันหนักเราก็กลับไปหาละเอียดใหม่ละเอียดหมายถึงว่ามันสบายแต่พอนางนวงขึ้นมามันแสดงว่าระดับกลางนวงจะอทนไม่ไหวแล้วแสดงว่าระดับหนักหยาบแล้ว ก็ทกทนอยู่อย่างนี้ทุกเรื่องเอาไปแอพพลายเอาไปประยุกต์ใช้ได้เลยสมมติว่าเราต้องการทำอะไรไว้ๆเป็นอะไรหยาบละเอียดหยาบใช่ไหมเพราะนั้นหยาบเกิดจากอาการของสัญชาตญาณนี่เขาว่าดิบเถื่อนหรือหยาบขึ้นอย่างนี้แต่พอเรามีสติในการวาง มันกลายเป็นละเอียดทันทีเลยใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นในปุคลากรที่เป็นโยมเนี่ยเอามาเพิ่งมาเห็นอาการการสอนและการสอนอาจารย์ธิรยุทธ์ที่สามารถลำดับเรื่องเหล่านี้ได้ชัดเจนที่เป็นรูปธรรมได้ข่าวว่าจะเชิญมาวันสองวันนี้ใช่ไหมครติดต่อได้ไหมวันที่กมุังเช้าผมริดมาใหญ่ให้เป็นช่วงบ่ายมากกว่านะเจ้าองเจ้าเช้านะ Okay. พอช่วงบ่ายเราจะได้ง่วงแข็งท่านนะว่าท่านจะมีวิธีแก้อย่างไรวะจะได้ลองวิชากันเช่นนี้พอช่องชวงเช้ามันเฟรชอยู่แล้วไงก็พร้อมอยู่แล้วใช่ไหมแต่ช่วงบ่ายเนี่ยดูว่าเวลาเราง่วงขึ้นมาท่านจะมีวิธีแก้เราอย่างไรต้องลองวิชากันตรงนั้นหน่อยนะนั้นเรื่องนี้เอามานับวันจะมีผู้รู้ชำนิชำนานมากขึ้นในพวกเราก็จะเป็นอย่างนั้นได้ถ้าพวกเราศึกษาประยุกต์เป็นน่นะไม่ใช่ว่าคนอื่นเรานี่แหละ เพราะนั้นตั้งเป้าไว้ว่าเราจะอเป็นครูอะไรครูสตินะไม่ผู้เดชทิเชยนะเป็น I mean, ครูสติในชีวิตนี้น่าจะเป็นได้เนอะก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแหละนะมันเป็นโดยโดยธรรมชาติของมันเราไม่อยากไม่ได้อยากเป็นหรอกเหมือนกับเราไปศึกษาอะไรดีๆแล้วก็อยากแชร์อยากบอกคนอื่นใช่ไหมมีความประรานาดียังได้กล่าวไว้ก่อนว่าเมื่อศึกษา สิ่งนี้ให้ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาแล้วมันจะเกิดคุณสมบัติสามประการคือหนึ่งชำรจิตเป็นจิตระเบิสุทดสองเรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณใช่ไหมสองเมื่อชําระจิตเป็นแล้วมันจะเกิดการารู้เรื่องราวของชีวิตทั้งเราทั้งเขาได้ง่ายเรียกว่าปัญญาที่คุณสามเมื่อรู้เรื่องราวของชีวิตได้ง่ายแล้วเราไปเห็นคนทุกคนไม่รู้คนทุกทรมานเนี่ย เกิดอะไรกัลปนาคืออยากช่วยว่าเรื่องเหล่านี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องเล็กแต่ทําไมคุณมาเป็นทุกข์กับมันล่ะเราก็เริ่มแนะเริ่มบอกพ อ, อเริ่มแนะเริ่มบอกเริ่มช่วยเหลือคนอื่นบ่อยเข้าบอกเข้าเกิดอะไรทักษะเกิดสกิลเกิดประสบการณ์ใช่ไหมเมื่อเกิดสบการณ์บ่อยเข้าบเขาเขาก็เรียกเราว่าคุณครูอาจารย์แต่เราก็ไม่ได้ที่จะเป็นหรอกมันเป็นโดยประสบการณ์นะ นี่อาจารย์ท่านเมืม่อวานมาแวไปฝากหลวงพ่อไปเจออาจารย์จาํำชื่ออาจารย์ไม่ได้แล้วนะอาจารย์ผ่ อ, องเข้าไปก็คือต้องการไปดูว่าไ อ, ไอ้แป้งดำปึงมันมาจากไหนหลวงพ่อก็ตามไปตามไปไปเจอต้นโ ร, อรอมอยู่ที่นั่นนะไปเจออาจารย์ผ่องพอดีนักศึกษาของท่านมาพอดีก็นี่มลหลวงพ่อเข้าห้องไปชวนหลวงพ่อเรียนศิปลปะอุอ้นพอสนใจม า, จากจะเรียนศิปลปะอาจารย์ผ่องนะคือเรียนการวาดรูปนะ ถ้าหลวงพ่อว่านรูกเป็นเนี่ยเวลาไฟสาธิตการสอนเนี่ยมันไม่ยากเลยใช่ไหมยาอาจารย์อํานาจโอภาสุวะท่านเป็นศิลปินศิละปะมาก่อนเวลาท่านนําเสือการสอนใช่ไหมเอามารู้สึกประทับใจมากแค่ภาพเดียวมันสื่อความหมายได้เร็วและตรงใช่ไหมสมัยก่อนหลวงพ่อก็พยายามว่านี่นอกเรื่องแล้วนนะวกกลับมาที่เดิมก็แล้วกันนะดังนั้นเราจะเห็นว่าเรื่องของการศึกษาและการปฏิบัติเนี่ยถ้าเรา ทำให้มันถูกแล้วมันมีความสุขใช่ไหมเรียนรู้ด้วยความสุขและความสุขที่มันไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอ่ะความสุขที่เกิดจากตาเห็นแล้วชอบรักหูได้ยินแล้วชอบรักกลิ่นที่ถูกจมูกชอบรักยึดนะรสที่ถูกลิ้นชอบรักก็ยึดเป็นความสุขชนิดหนึ่งใช่ไหม สัมผัสที่นุ่มนวลสบายๆชอบรักแล้วก็ยึดแต่ว่าความอร่ อ, รอยความสมุขสนานเหล่านี้มันมันคงที่ไหมเปลี่ยนแปลงใช่ไหมข้าวก็อร่อยตอนที่เราเคี้ยวอ่ะพอคืนผ่านคอไปแล้วมันยังอร่อยเหมือนเดิมไหมไม่เห็นฮนะมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วเนี่ยเพราะนั้นความสุขที่เกิดจากอายตนะทั้งหกทอกับบอด t ้ดิแฮปปี้ไค e s ฟอเเป็น imperman มันด์แฮปป It's not real happiness, but all people or human being s attach such a k i n d of happiness. So they change all the time. But we come to practice about this technique. We looking for the real happiness. We call noble happiness or Boromasu. So now we want the true h a p p i n e s Real happiness is, happiness is not plan. the happiness that it doesn't change. The happiness that doesn't change means that we can feel it all the time. แล้วก็สามารถจะเป็นได้แต่ละเวลาด้วยเพราะอะไรเพราะเรารู้วิธีใช่ไหมเหมือนคนที่หาเงินเป็นไม่จําเป็นต้องมีเงินนะแต่จะใช้ตอนไหนมีตอนนั้นเรารู้วิธีดังนั้นวัตถุดิบของเราที่เจเริญรูนะ้มีเพียบเลยมีลมหายใจอิเลยบดซีอิเลโบดย่อยห้าสีอาการสาสิสองอสุภาพพวกนี้คือเครื่องมือทั้งนั้นเลยแต่ใช้มันให้เป็น เมื่อใช้มันให้เป็นแล้วทีนี้มันก็ง่ายล่ะในการที่แก้ไขแล้วการปฏิบัติมันก็จะเป็นเครื่องมือของความสุขแล้วทุกคนแสวงหาอะไรเกิดมาแสวงหาความสุขใช่ไหมความสุขที่มันเปลี่ยนแปลงกับความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยเราต้องการแบบไหนความสุขที่ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ทําไมเราแสวงหาความสุขที่เปลี่ยนแปลงอยู่ล่ะก็เพราะว่ายังไม่รู้วิธีแต่ความสุขที่เปลี่ยนแปลงกลับไปกลับมาเรารู้วิธีคล่องมากใช่ไหม แต่ถึงกันนั้นเนี่ยเราได้ตามที่ต้องการหรือเปล่าไม่ได้นะโอหาเงินมาตลอดชีวิตยังไม่ยังไม่พอใจเลยยังไม่มีความสุขเลยมันไม่พอมันพอไม่เป็นเพราะด้วยอำนาจของตันหานะมีลูกกี่คนมีเมียกี่คนมีสมบัติเท่าไหร่ถามว่าพอใจไหม ย, ยังไม่พอใจเพราะมันไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแต่ถ้าหากเรามีทั้งสองอย่างความสุขชั่วคราว temporary happiness แล้วก็มี permanent happiness แล้วก็มีอันนั้นก็ถือว่า perfect ใช่ไหม บางครั้งเราต้องการใช้ถ้าทานอาหารไม่อร่อยเลยเนี่ยมีปัญหาอะไรใช่ไหมสุขภาพไม่ดีทานอาหารต้องให้อร่อยเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้นั่นเองนะเพราะนั้นความสุขภายนอกเดียเพื่อให้รูปอยู่ได้แต่ความสุขภายในเนี่ยเพื่อให้นามคือใจอยู่ได้นะดังนั้นในจุดนี้จึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะปฏิบัติแต่ขอให้เราได้ตรวจสอบทบทวนความต้องการของเรา ว่าจริงๆเราต้องการอะไรเมื่อเซตเป้าหมายเซตโกเซตเดสตินเอชชันเอาไว้แล้วเนี่ยเราจะไปถึงเป้าหมายนั้นได้อย่างไรก็เริ่มต้นไปแต่ประการสำคัญต้องถามตัวเองให้ชัดว่าเราต้องการอะไรจริงๆในชีวิตนี้ แต่บางคนผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมต้องการอะไรเนี่ยอันนี้คือไม่เคยคิดถึงเป้าหมายของชีวิตเขาเขามีอะไรผมก็อยากมี น, นั้นเขาได้อะไรผมก็อยากได้อ น, นั้นแต่ว่าเขากับเรามันคนละคนใช่ไหมไม่ใช่คนเดียวกันมันจะได้เหมือนกันได้ยังไงเราก็ต้องมาหาเป้าหมายของเราว่าเราต้องการอะไรจู่ๆถ้าไปถามคนนี่เขาตอบไม่ถูกเหมือนกันนะคุณต้องตอบตัวเองว่าในชีวิตนี้คุณต้องการอะไรจริงๆคิดตั้งนานผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันผมต้องการอะไรเนี่ยอันนี้ แสดงว่าคนเราอยู่ไปอย่างนั้นเองไม่ได้นึกถึงเป้าหมายแต่ในทีน่นี้ทุกคนมีเป้าหมายว่าต้องการความสุขใช่ไหมแต่ความสุขมีสองชิ้ความสุขที่ถาวรและความสุขที่ไม่ถาวรความสุขที่ไม่ถาวรเกิดจากรูปความสุขที่ถาวรเกิดจากนามทำไมจึงว่าความสุขไม่ถาวรเกิดจากรูปเพราะว่ารูปอยู่ภายใต้การภายใต้กฎของใจรักต้องเปลี่ยนแปลง สลาแตกสลายอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมแต่ว่านามอยู่เหนือกฎของไตรลักษณ์อ่าอยู่เหนือกฎของไตรลักษณ์แต่ถ้านามนั้นยังไม่เที่ยงยังไม่เสถียรยังไม่คงที่นามนั้นก็ยังเป็นเทมปอรีอยู่คือยังเปลี่ยนแปลงไปอยู่อย่างสติเนี่ยเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็ลืมใช่ไหมเพราะยังไม่คงที่เราก็ต้องถ้าคนไหนปฏิบัติเจริญสติไปแล้วในสติเริ่มคงที่2 5่ เขาบอกคนนั้นไม่ตกนรกแล้ ว, ลวเราเจริญสติไปส ต, สติเริ่มคงที่ห้าสเปอร์เซนคนนั้นทำโลกกลลงให้เบาลงแต่ว่ายังมีการมาราคาปฏิฆาอยู่บ้างคนไหนจเจริญสติไปถึง8ปดเซคงที่นะถ้าจะลดลงไม่ต่ำกว่า 80% บปรเไปื่อยร้รือลงเหลือเปอร์เซ็นเดียวอย่างเงี้ยอันนี้ไม่คงที่นะ อย่างน้อยเนี่ยพุ่งขึ้นไปร0 0เปแต่ถ้ามันจะลดลงมาไม่ควรต่ำยีาเปอร์เซ็นั้นคุณปลอดภัยแล้วอันนี้ลดลงมาวืดร0อซตวืดลงมาสองเปอร์เซอย่างเงี้ยถือว่ายังไม่เสถียรยังไม่สเต b บล น, stable, นะเพราะฉะนั้นพระโสดาบานันสติเขาจะลดลงอย่างต่ำไม่ต่ากว่าย5เปเซตแต่ของเรานี่ยังยังไม่คงที่ใช่ไหมยัง and down, <laughs> อ้าวเป็นดาวอยู่ถานาคามี พระสิกิตาเามีเกิดพิการอะไรเกิดขึ้นกระทำเวิรบตกลงมาแค่50ปอร์เซตกมาแค่นั้นพระนาคามีเกิดอะไรพิ ก, การทุกทุกที่สุดเกิดขึ้นวืรบตกลงมาแค่ย0่สเหลือ80อยู่แต่พระรหันต์เป็นไงเกิดเลยขึ้นก็อย่างร้อปอร์ปิ่มเหมือนเดิมนะเพราะอะไรเพราะท่านเติมตลอดเวลาเป็นออโต้นะเหมือนน้ำที่ไปใช้ใช ป, ปุ๊บมันก็ฟอปอัพอั่วทงานเดี๋ยวเต็มเหมือนเดิม พระรหัตเป็นออโต้ละเป็นออโต้ออนและออโต้ออฟแต่ตั้งแต่พระโสดาคึ้นไปอนาคามีก็ระบบออโต้ยังไม่แน่นอนนะยังอัพแอนด์ดาวได้อยู่แต่ว่าก็ไม่ต่ำกว่านั้นแล้วแต่ท่านเซตเอาไว้พระโซดาบอลว่าเซตว่าน้ําไปบมดไป 75% ให้ออตโต้ทา ง, งานนะเพราะว่ามีมีความต้องการเพียงแค่นั้นพระศรีค า, านาวีเน้ําลดไปครึ่งแท่งนะออตโต้ ต้องทำงานนะถ้านาคมีน้ําลดลงไปสักเมตรหนึ่ง 80% ลดไป 20% ให้ออโตทํางานพระอรหันท่านตั้งไว้เต็มเลยนะลดปั๊บทางานลดปั๊บทํางานเลยอันนี้คือรูปธรรมนะนั้นนั่นจะเห็นว่าเราวางรูปธรรมนำมาทำไม่ใช่เรื่องซับซ้อนอะไรแต่ที่มันซับซ้อนเพราะเรายังไม่เห็นเท่านั้นเองเรานึกเอาเราคิดเอามันกลายเป็นเรื่องซับซ้อนเพราะในสติปัฏฐานทุกตัวท่านไม่ใช้คําว่ายานะ ท่านใช้คำว่าปัศนะปัศนาแปลว่าเห็นกายานุปัศนาไงให้เห็นไม่ใช่คิดเอานึกเอาคาดเขนยเอาแต่ให้เห็นจริงๆเห็นด้วยใจพอเห็นด้วยใจเขาเรียกเกิดอะไรธรรมจักสุเกิดตาในใช่ไหมตาในตาปัญญาดังนั้นการพูดถึงตนเชาน้านี้หลวงพ่อประลบถึงความเป็นไปมาของท่านตักหมอ้อ ที่สามารถแยกพุทธศาสนาแบบมิกบุริซึมแล้วก็เพียวบุริซึมออกจากกันได้ระหว่างสมมุติแล้วก็ลักษณะนี้มันเป็ี่ยนกับเมืองไทยมาหลายหลายร้อยหลายพันปีแล้วจนกระทั่งเกิดโพุทธรรมแห่งประเทศไทยขึ้นหลวงพ่อสมุูรณ์หลวงพ่เทียนเป็นโพุทธรรมแห่งประเทศไทยอาจารย์เซนหนึ่งสยามแล้วนี่นะอาจรย์ซิวก็อยากจะให้พวกเราได้เริ่มต้นณตรงนี้ไปแล้วก็อีกหลายศตวรรษข้างหน้าก็อาจจะ เป็นแบบจีนญี่ปุ่นได้แต่เราอย่างน้อยเรามีการเริ่มต้นณวันนี้เราก็จะมีการดอกย้อมมีการติดตามมีการทบทวนกันอยู่เสมอไม่ใช่ว่าปฏิบัติแล้วปฏิบัติเลยถ้าเป็นไปได้มาอยากจะให้ในหมดเวลาแล้วเนาะอยให้พวกเราที่ฝึกเนี่ยเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงทุกรุ่ น, นนะอ่ะนะเพราะฉะนั้นปัจจัยที่เกิดจากรุ่นนี้ก็ไปเลี้ยงรุ่นหน้าแบบระบบของท่านโกยดีก้าเนาะระบบพี่เลี้ยงปัจจัยรุ่นต่อไปก็ปให้รุ่นต่อไปเข้ามาไม่ต้องเสียอะไรมาฟรี แต่อาศัยเงินทุนที่สัสมได้จากรุ่นนี้รุ่นพี่ดูแลรุ่นน้องไปเรื่อยๆมันอาจจะยั่งยืนนะมาว่านะอแต่ถ้าหากว่าไม่ใช้ระบบแบบนั้นเดี๋ยวอาจารย์ประพัดกับอาจารย์กันก็เลิกเพรใช้ทุนเยอะเหลือเกินไม่ไหวหลวงพ่อหยุดคิดว่าสูงไยไม่พอเดี๋ยวก็มีอันเป็นไปแต่เราใช้เทคแคร์อย่างนี้เพราะเราเห็นคุณค่าใช่ไหมได้ไประโยชน์ได้เห็นคุณค่าเราก็อยากจะให้คนอื่นมันก็ได้ทําบุญด้วยไงอ แต่หลวงพ่อนี่ไม่ต้องช่วยอะไรก็ได้หลวงพ่อสบายแล้วน ะ, <c oughs> ะก็มาช่วยกันเพื่อให้เราได้สืบทอดในสิ่งที่ดีๆเนี้่ไปให้คนรุ่นต่อไปนะฉะนั้นช่งชวงเช้านี้ก็ขออนุโมทนาสาธุการที่เราจะได้ทั้งใจศึกษาเรียนรู้สิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของเราให้แจ่มแจ้งชัดเจนเกิดแสงสว่างในจิตในใจด้วยกันทุกคนทุกท่านคือ